อนาปติวัน1218ภพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภพิกษณีบอกก่อนจึงนั่งบนอาสนะสองพิกษณีผู้เป็นไข้ 3. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษณีวิกลจริต 5. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิบคาบทที่11จบ